วันนี้โยมลนห้องแผล่เมื่อเรามาเรียนธรรมะนะเรียนวิธีปฏิบัติถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือทําลงมือปฏิบัติจะได้ผลอย่างรวดเร็วถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่ได้ผลเนาะผลที่เกิดขึ้นคือผลทุกข์ในเบื้องต้นเราจะพ้นทุกข์ทางใจก่อนเพระร่างกายยังอยู่ มีร่างกายอยู่นะเหลือแต่ทุกทางกายแต่ทุกทางใจไม่มีก็ต้องชดใช้กรรมเก่าคือการที่มีขันห้าเหลืออยู่นะเป็นจรมเก่าตัวขันห้านะั่นแหละตัวกรรมเก่าตัววิบากผลของกรรมเก่าก็ชดใช้อยู่ไปเรื่อยจนมันหมดอายุนะหมดตายบางคนตายเพราะหมดอายุ อายุยุคนี้คือเจ็ดสิบห้าปีบางคนตายเร็วว่านั้นชา้ากว่านั้นตายเพราะกรรมตัดรอนตายเพราะถูกฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยพอตายแล้วนี่มันก็ไม่มีขันจะทุกข์ตอนที่ยังมีร่างกายอยู่นี่มีขันอยู่จะเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายแต่ทุกข์ทางใจนี่หายสนิทเลยถ้าเราพาวนาได้ได้ที่จริงๆจะเหลือแต่ทุกข์ทางกาย ผลของการปฏิบ ha ัติเราพ้ท <tahun> Th ุกเบื้องต้นพ้นทุกทางใจนะเหลือแต่ทางกายสุดท้ายก็ไม่มีทั้งกายทั้งใจมีแต่ธาตุอันมีธาตุรู้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุโลกธาตุธาตุมันทรงตัวอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขา ถ้ารู้วิธีนะก็ไม่ยากอะ่ะถ้าไม่รู้วิธีทำไม่ได้อะ่ะเราค้นวิธีการด้วยตัวเองไม่ได้คือเราต้องฟังมาหาหลวงพ่อก็คือมาเรียนวิธีปฏิบัติทำยังไงจะสามารถพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดก็ต้องน้อยลงต้องน้อยลงให้ได้คนในโลกนี้ดิ้นรนตลอดเวลาในความเป็นจริงก็ดิ้นรนเพื่อห น, นีความทุกข์ ดินรนเพื่อจะสแสวงหาความสุขนดิ้นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยดิ้นเท่าไหร่เท่าไหรก็หนีไม่ได้บางคนเรียนหนังสือตั้งเยอะไม่เป็นด็อกเตอร์ถามว่าเราทุกข์ไหมมันก็ยังทุกข์อยู่นะใหญ่โตแค่ไหนก็ทุกข์นะบางคนมีเมียสวยๆมันก็ทุกข์นะรุ่มใจกลัวเมียทิ้งมันมเต็มไปด้วยความทุกข์นะมีลูกก็ทุกข์ลูกเรียนหนังสือ ไม่เก่งหรือว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเรียนแล้วจะไปทําอะไรจะติดยาไหมจะคบเพื่อนไม่ดีไหมอะไรเงี้ยมันทุกข์อีกในโลกนะั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ทุกหัวละแหงเลยทำอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดเลยบางคนก็คิดว่าถ้ามีเงินมากๆแล้วมจะไม่ทุกข์นะมันก็มีข้อพิสูจน์แล้วคนมีเงินต้องเป็นหมื่นหมืนล้านไม่ยังทุกข์นะมีทุกข์บางคนก็คิดว่ามีเงินแล้วมีความสุขบางคนคิดว่ามีอํานาจแล้วมีความสุข บางคนคิดว่ามีชื่อเสียงแล้วมีความสุขถามว่าคนมีชื่อเสียงมีความสุขจริงหรือเปล่าบางคนว่ามีความรู้มากๆนะสังคมยกย่องอะไรเงี้ยมีความสุขไม่สุขจริงเห็นมันก็ทุกข้างนั้นนะคนรวยๆก็เป็นโรคจิตก็มีทุกคนสวยคนเก่งก็ทุกทุกข้างนั้นเลยมีแต่พระพุทธเจ้านะสอนวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์ให้ได้จริงๆ ใครๆเขาก็เกลียดทุกข์ใครๆก็กลัวทุกข์ใครๆก็อยากหนีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีท่านสอนให้รู้มันไม่ได้สอนให้ละด้วยถ้าไม่ได้บอกให้หนีทุกข์ท่านไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์นี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยแค่รู้ทุกข์มันพ้นทุกข์ได้นะหนีทุกข์ไม่พ้นทุกข์อย่างพวกเราทุกวันนี้ก็ตะกายหนีความทุกข์ตลอดมันไม่พ้นทุกข์หรอก หรือไปต่อสู้กับความทุกข์สู้ได้จริงหรือสู้ไม่ได้ยังไงก็ความทุกข์มันตามมามีแต่พระพุทธเจ้านะคนพบศาสตร์แห่งการรู้ทุกยันแอปโรสในทางศาสนาพุทธนะั่นคือการรู้รู้อะไรรู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คืออะไรต้องรู้นิยามก่อนไม่ใช่ว่าอกหักเป็นทุกตกงานเป็นทุกเมียทิ้งเป็นทุกอะไรอย่างเงี้ย แก่เจ็บตายเป็นทุกข์ น, นั่นเป็นแค่อาการปรากฏสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แท้ๆเลยนะตัวทุกข์แท้ๆเลยคือตัวรูป น, นามคือกายกับใจนี่ความจริงคําว่ารูปนามนั้นเป็นคําเฉพาะเรามาแปลว่ากายกับใจนี่เป็นแปลแบบข้างๆเคียงๆไม่ตรงทีเดียวหรอกเพราะนามไม่ได้มีแต่ใจนามมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกมีหลายอย่างไม่ใช่ใจอันเดียวใจก็เป็นจิตชนิดหนึ่ง แต่ภาษาไทยก็คือกายกับใจหรือรูปธรรมกับ น, นมามธรรมนะพูดให้เข้าใจง่ายที่เรียกว่าตัวเราต้องเป็นรูปธรรมนมามธรรมที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเ น, น, นี่คือนิยามของควมว่าทุกข์ทุกข์ก็คือกายกระใจของเราเองนี่แหละสังเกตไหมความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจงั้นความทุกข์มันก็มีที่กายกับที่ใจเท่านั้น ทีแรกเราก็มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์จิตใจก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์นี่ยังรู้ไม่ซึ้งนะถ้ารู้ซึง้งเราจะรู้ว่าตัวร่างกายนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่แค่ที่ตั้งของความทุกข์นะแต่ตัวมันเป็นตัวทุกข์ฉะเรียนเรื่องทุกข์ตัวเดียวนี้ก็พอละถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรละ พระแท้เจ้าสอนให้เรารู้ทุกคือรู้กายรู้ใจะไม่ได้ให้หนีเพราะหนีไม่ได้ไปไหนก็เอากายเอาใจไปด้วยไม่ได้ให้ไปสู้มันไปบังคับมันเพราะบังคับไม่ได้มีใครบังคับร่างกายได้ไหมว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายบังคับไม่ได้นะมีใครบังคับใจได้ไหมว่าอย่าอยากถ้าอยากเราทุกคุ้มสิ่งไหมลองสั่งใจสิจงหมดความอยากนบะบัดนี้เอาสั่งไปเดี๋ยวมันก็อยากสั่งอีกอะ มันสั่งไม่ได้ <Y ard. S 1> ใช่ไหมง่ายกายแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้จริงเราไปบังคับเอาชนะมันไม่ได้จริงอ่ะจิตใจเราก็เอาชนะมันไม่ได้จริงท่านถึงไม่ได้สอนให้ไปต่อสู้กับมันท่านให้รู้คำว่าพุทธนะนั่นแหละศาสนาของเราคือศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธพุทธวะว่ารู้พุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นไม่ใช่ศาสนาของผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งผู้บังคับผู้กดข่ม ให้เราคอยรู้ทุกข์คือให้เราคอยรู้กายรู้ใจไปรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าจริงๆกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงตอนนี้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจเราเห็นแต่ว่าร่างกายเนี้ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นความจริงของจิตใจเรารู้สึกว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าไม่รู้ความจริงนะ คนที่รู้ความจริงแจ้งก็เป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราไม่แปลกหรอกที่เรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนว่ากายนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ท่ไม่เคยบอกว่าขันห้านี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างท่านชี้ขาดลงไปเลยว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นนเรียกว่าเรายังมีอวิชชา แรายังไม่เห็นความจริงไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งทีนี้เราต้องพัฒนาตัวเองนะทาไงเราจะสามารถเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้น้วนไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเราต้องคอยดูความจริงไม่ใช่ให้คิดเอาความคิดไม่ใช่ความจริงใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ไปบังคับกายบังคับใจเราดูความจริงของกายของใจต่างหากมิปัสนากรรมฐานเนี่ย ก็ค yeah. ือการที no exactly yeah. no it. It ่เรามีสติคอยรู้ความจริงของกายของใจการทานิปพาสนา้นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงนะไม่ใช่คิดเอาเองความคิดไม่ใช่ความจริงเรียนรู้ความจริงนะไม่ใช่บังคับเอาบังคับแล้วกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งไม่แสดงความจริงให้ดูมันนิ่งไปหมดเลยงั้นเราต้องคอยรู้สึกเอานะคอยรู้สึกเอา หลวงพ่อไปเทศที่ศาลาลุงชินนะมีการไปเทศครั้งแรกแรกนะมีไอ้นหนุ่มคนนึงนายกมือเถียนหลวงพ่อจะบอกให้รู้สึกเราได้ยังไงเนี่ยฟิสิกส์บอกอย่าไปใช้ความรู้สึกเออนักฟิสิกส์ให้มันพ้นทุกข์ก็แล้วกันฟิสิกส์นะ <c oughs> นะมันก็พยายามเรียนรู้ความจริงนะก็คือศาสตร์ที่พยายามจะเรียนรู้ความจริงด้วยแอพพลิเคที่สัมผัสได้เท่านั้นศานะ ส, สนา พ, พุทธเราก็เข้าถึงความจริงด้วยอีกวิธีหนึ่งนะ ลองหันมารู้สึกบ้างสิเราจะพ้นทุกรู้สึกอะไรรู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจนะไม่ใช่มาทำด้วยวิธีการอื่นๆพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนะเราคอยรู้ไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้เรารู้มันไปเรื่อยๆในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่เราจะศึกษามัน ครยๆเราทำงานวิจัยภาคสนามงานวิปัสสนากรรมฐานนะคือการทําวิจัยภาคสนามนะถ้าใครเคยใครเคยเรียนเรื่องวิจัยบ้างไหมมีไหมทําวิจัยวิจัยไม่ใช่วิจัยธรรมดาด้วยไม่ใช่วิจัยทางริทูเรชั่นเปิดตําราอ่านนี่เป็นการวิจัยภาคสนามเมื่อเราไม่นั่งอ่านตําราดูร่างกายนี้ประกอบด้วยอเยวะเท่านี้เท่า น, านี้ชนิดนะ มียีนอย่างนี้อย่างนี้นี่เราไปอ่านเอาเราจะวิจัยภาคสนามด้วยการตามดูความจริงของมันดูไปซื่อๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องดูลึกซึ้งอะไรหรอกนะถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเราจะเห็นตลอดเวลานะนะทั้งกายทั้งใจมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจนะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจล้วนแต่บังคับไม่ได้ ความจริงที่เราต้องการเห็นเนี่ยคือความจริงสามตัวนี้เท่านั้นเองคือไตรลักษณ์เราไม่ได้ต้องการรู้ความจริงมากกว่านั้นหรอกไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคุณมนกับคุณมาลีเนี่ยมียีนตัวไหนที่ต่างกันบ้างรู้แล้วไม่พ้นทุกหรอกนะรู้แล้วประสาทกินหรอเอาไว้ให้พวกนักวิทยาศาสตร์เขาเรียนกันเราเรียนเพื่อความพ้นทุกข์เพราะงั้นเราไม่ต้องรู้อะไรที่เกินจําเป็น ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพ้นทุกข์นะคือการเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นี่ความรู้ที่ต้องการเนี่ยเล็กนิดเดียวเองไม่ได้เยอะแยะอะไรไม่ต้องการรู้เลยว่าในจักรวาลเนี่ยมีดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อีกกี่แนหะ่งท่านบอกท่านไม่ได้สอนพวกนี้หรอกเราไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกข์นั้นสะโคปของการวิจัยของท่านนะสโคปของท่านแค่นิดเดียว ท่านทำไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองทุกอยู่ที่กายทุกขอยู่ที่ใจท่านก็เลยเรียนลงที่กายที่ใจไม่ต้องเรียนเยอะเรียนให้เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นก็พอละก็รู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนะเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ในไตรลักษณ์ก็ไม่ต้องเห็นทั้งสามมันเห็นไหมเห็นอันเดียวก็พอบางคนเห็นอนิจจังนะก็เป็นพระอรหันต์บางคนเห็นทุกขังก็เป็นพระอรหันต์บางคนเห็นอนัตตาก็เป็นพระอรหันต์ไม่จําเป็นต้องเห็นทั้งสามอย่างด้วยซ้าไปไหมเราเรียนเรื่องนิดเดียวเอง ในความรู้ในโลกมีตั้งเยอะแยะนะสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีเยอะแยะเลยดาวนโน้นดาวนี้ใต้ทะเลเป็นอย่างโ้นสัตว์ชนิดนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราเรียนนิดเดียวเราเรียนทั้งกายกับใจเราเรียนในแง่มุมนิดเดียวเองนะในแง่มุมของว่ามันไม่เที่ยงหรือใช่คําว่าหรือนะไม่ใช่แล่นะหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นอนัตตามุมใดมุมหนึ่งของกายของใจท่านนั่นเอง เพียงเห็นมุมใดมุมหนึ่งของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นอนัตตาเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้เห็นมุมเดียวก็หมดความยึดถือแล้วกนะ็หมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเมื่อไหร่เราก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นแหละคล้ายๆกายกับใจนะแต่เดิมเราคิดว่ามันอยู่กับเราตลอดเราทิ้งมันไม่ออกหรอกสมมุตินะสมมุติว่าเกิดมาเนี่ยพอหลวงพ่อเกิดมาผู้ใหญ่ก็มอบกติกา น, นี้มาให้นะ หลวงพ่อก็กอไดไว้ตลอดเลยตั้งแต่เด็กมานะเรานึกไม่ออกหรืว่าปล่อยมันได้เนืนึกไม่ออกเลยนะวันนึงเกิดปัญญาขึ้นมาโง่นี่ว่าแบกไว้หนักหรือเปล่าพอเห็นแล้วโง่แท้ๆเลยเห็นไหมเอาวิชาโง่เลยทิ้งไป โ, โล่งเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่กติกน้ํามันคือกายกับใจที่ติดอยู่กับตัวเราเนี่ยจนเรานึกไม่ออกเลยว่ามันปล่อยได้มันปล่อยได้เหมือนกติกน้ํานี่แหละมันปล่อยได้จริงๆนะ อัศจรรย์ที่สุดเลยมันปล่อยได้เมื่อมันมีปัญญามันมีวิ ช, ชามันล้างอาวิ ช, ชาได้มันมีปัญญารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เป็นของหนักเป็นภาระเป็นทุกข์พอมันรู้อย่างนี้นะมันโยนทิ้งเปรี้ยงไปเลยโยนทิ้งไปแล้วไปไหนเอากายเอาใจไปไปแต่ไม่กระทบกันเหมือนอยู่คนละเลเยอร์เลยนะพวกเราภาวนามาถึงช่วงนี้เรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหม เหมือนกับกายเนี่ยมันแยกออกไปอยู่ต่างหากเวทนามันแยกออกไปรู้สึกไหมกุศลอะกุศลมันแยกออกไปรู้สึกไหมแต่จิตไม่แยกจิตยังเป็นคนดูนี่คือตัวเรายังเหนียวแน่นอยู่ตรงนี้ถ้าแยกมันไหนนะเอ้ยมันไม่ใช่เราหรอกจะได้โสดาบันถ้ากว้างมันทิ้งได้นะจะเป็นพระอรหันนมันกว้างของมันเองนะอัศจรรย์เพราะมันเห็นทุกข์แกมแจ้งบางคนเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง บางคนเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นเรียกว่าทุกขลักษณะบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกข์รู้นะโยนทิ้งเลยทิ้งได้นะแปลกไปไหนกายกระใจมันไปนะเราก็ไม่เกี่ยวกายกระใจมันไปนะเราไม่เกี่ยวแต่ว่าสภาวะมันจะแตกต่างกันพวกเราที่ภาวนาแล้วยังปล่อยวางจิตไม่ได้เนะี่ยเราจะรู้สึกว่า กายนะเวทนาแล้วก็สังขารทั้งหลายมันแยกออกไปจิตมันเป็นคนดูไปไหนมันก็คู่กันไปเงี้ยมีสองอันคู่กันไปเงี้ยนะสองเลเยอร์แต่พอปล่อยวางจิตแล้วความอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมันไม่มีสองเลเยอร์นะมันเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยในกายในในขันทั้งหลายนี่ยนะกระทาดรู้นี่นะมันก็กลืนอยู่ด้วยกันด้วยไม่ได้แยกกันเป็นสองส่วนเรื่ความประหลาดอัศจรรย์พิลึกพิลั่นพูดแล้วก็ แค่คิดก็คิดไม่ออกแล้วของเราตอนนี้เรารู้สึกไหมมันแยกได้คนทั่วๆไปนะมันไม่แยกคนทั่วๆไปมันรวมเป็นอันเดียวกันรวมเป็นตัวกูเรามาหัดภาวนานะหัดภาวนาใหม่ๆช่วงหนึ่งยังไม่จบจิตรู้สึกมันแยกกันขันมันแยกออกไปใจที่รูมอยู่อย่างนี้พอปล่อยวางจิตออกไปได้เลยนะ ทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติอ ir like ันเดียวกันหมดเลยจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่จิตกับวัตถุจิตกับทุกสิ่งที่แวดล้อมอยู่เนี่ยกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่เพราะฉนั้นหลวงปู่ดูลเคยสอนบอกว่าผู้ใดเห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนันจะถึงที่สุดเลยมันคล้ายๆนิทานเซนะที่บอกว่าคนที่ไม่ภาวนานะเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้ใช่ไหมเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ํำพอภาวนาแล้วภูเขาไม่ใช่ภูเขา ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้แม่น้ําไม่ใช่แม่น้ำเพราะนาเสร็จแล้วภูเขาเป็นภูเขาอีกแล้วแต่ไม่ยึดนะภูเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละเราะนั้นธาตุรู้นี่นะมันจะซึมซ่านเนี่ยต้องใช้คํานี้ถึงจะถูกมันซึมซ่านหรือซึมแทรกเข้าไปในสรรพสิ่งเป็นตัวซอทั้งนั้นเลยนะตัวซอตัวซอตัวธาตุรู้นี่มันซึมซ่านอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแยกออกไป แต่ว่าความทุกข์เนี่ยจะเข้าไม่ถึงใจเป็นเรื่องแปลกอันนี้พูดให้ฟังนะแบบโฆษณาชวนเชื่อสนใจก็ต้องมาคอยรู้กายรู้ใจไว้แล้ววันหนึ่งก็จะเห็นด้วยตัวของเราเองไม่ใช่คิดเอานะถ้าเห็นได้เมื่อไหร่โอ้ไม่ทุกข์ละโวยไม่ทุกข์ละโวยสบายไม่ใช่โลกแยกเป็นส่วนๆท่านถึงหลวงปู่ดูลท่านหนึ่งเรียกเว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่ง คู่กับอะไรคู่กับทำหนึ่งทำหนึ่งก็คือนิพพานยากไปเทศนยากไปไหมทำไมวันนี้เทศนยากขนาดนี้มีคนภาวนาเก่งๆเยอะแต่วันไหนพวกภาวนาไม่ค่อยเป็นเราก็เท่น ง, ง่ายๆถือศีลไว้อะไรอ่า <c oughs> งนั้นเราต้องภาวนานะภาวนาก็คือการมีสติขึ้นมาคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใ จ, อ ย, งใจอย่าคิดเรื่องกายเรื่องใจ แต่ดูว่าจริงๆกลายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนะเขารู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกต่อไปไม่เห็นนะกายมันก็อยู่ส่วนหนึง่งใจมันอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราหรอกนะมันอยู่ต่างหากใจมันเป็นคนดู mình. พอมันแยกขันออกไปนะกายกับใจแยกกันปุ๊บกายไม่ใช่เราล้วจะรู้สึกเลยกายมันอยู่ต่างหากนะดูไปอีกเวทนามก็อยู่ต่างหาก เวทนาก็ไม่ใช่กายเวทนาก็ไม <Có S 2> <the ่ใช่จ <heavily> <the> ิตเวทนาเป็น <ional> ข <etti> ันธ์อีกขันธ์นึงเป็นสิ <the> ่งอีกสิ่งหนึ่งแท้งอยู่ในกายบ้างแท้งอยู่ในจิตบ้างแต่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตมันอยู่ห่างๆห่างอะไรห่างกายห่างจิตนี่ประหลาดหนักก็้นอีกดูต่อไปนะเราจะเห็นเลยกุศลอะกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่กายกุศลทั้งหลายอะกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตเป็นขันธ์อีกขันธ์หนึ่ง พอขันมันแยกตัวออกไปแต่ละขันแต่ละขันะขนะแต่ละขันจะไม่มีตัวเราะแต่จิตเนี่ยบางทีก็มีตัวเราเพราะหลงคิดขึ้นมาพอหลงไปนะความเคยชินเก่าๆทําให้รู้สึกว่าเป็นตัวเราก็ฝุดขึ้นมาพอมีสติรู้ทันตัวเราก็ดับไปมีใครทําตรงนี้ได้ละยกมือให้ดูหน่อยสิให้ยกมือเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยไม่เคยมีใครยกเลยทําไงว่ามันจะレสปอน ฝึกนะตอนเนี้คนที่เห็นจิตนะัเกิดความเป็นตัวเราเนี่ยเห็นเกิดขึ้นเป็นคลาลายนี้เยอะแยะแล้วนะไม่ใช่มีคนเดียวไม่ใช่มีสองคนแต่มี ร, ระดับเป็นร้อยร้อยละหลวงพ่อไม่ได้สรุปจํานวนไว้ที่แน่นอนนะแต่มีเยอะละไม่ใช่ร้อยหรอกเป็นพันพันนะเริ่มสามารถเห็นได้แล้วว่าความรู้สึกว่าจิตคือตัวเราที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นคล า, าว์แล้วก็หายไปเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็หายไป อย่างคุณมาลีก็เห็นแนละ้วเห็นเยอะแยะไปเลยครับไม่ยอมレスปอนต์ตามวัฒนธรรมไทยนิ่งไว้ก่อนงั้นเราจะเห็นอะไมันความเป็นตัวตนเนะ่ะจริงๆไม่มีเมื่อไรหลงคิดนะัความเป็นตัวตนก็มีขึ้นแต่ว่าพอเห็นตรงนี้นะว่าตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเห็นเป็นกล่าวๆเนี่ยยังยอมรับไม่ได้บางคนพอเห็นตรงนี้นะเกิดความรู้สึก เวิร์งว้างวังเวงห ว, วิวหวิวโวงโวงตัวบอแหวนทั้งนั้นเลยนะบางคนว้าวเวมีนะตายแล้วตัวเราหายไปคุณมารีเคยเป็นมเหมืนโะวงโวงเ ว, ว, ว, วิร์งเวาร์งหวิวหวิวหวั่นไหวเนะตัวบอทัางนั้นเลยบางคนกลัวบางคนรู้สึกกลัวว่าตัวเราหายไปเฮ้ยร่างกายไม่ใช่เราละวนะจิตใจไม่ใช่เราดูน่ากลัว บางคนหวีผมอยู่หน้ากระจกนะหวีไปหวีไปเฮ้มันตัวอะไรวะเนี่ยนะมันดูน่ากลัวกําลังอาบน้ําอยู่นะถูสบู่อยู่ขัดชี้ใครอยู่โอ๊ยนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้บางคนกลัวเลยนะใครเคยเป็นมั้งไหมเอาพยักหน้าใครเคยเป็นไม่ยกก็ได้เอาเวัฒนธ ร, รําไทยชอบพยักหน้าเนี <c oughs> <c oughs> ่ยพอให้พยักหน้านะพยักเป็นแถวเลยนะใครดูเรื่อยเราจะเห็นเลยนะบางคนกลัวไปเลย บางคนเบื่อพอเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะเริ่มเห็นความจริงในเบื้องต้นแล้วว่าตัวเรามันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเองถ้าไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่หลงไปล้วความรู้สึกว่าจิตเป็นเราก็ไม่มีพอไม่มีเราขึ้นมาเนี่ยบางคนบางคนเบื่อบางคนกลัวบางคนวงงๆบอกไม่ถูกว่างเปล่ากลวงๆนืรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัย ่บางคนพาวนามาถึงจุดนี้นะให้ดูต่อไปอย่าเลิกโงงๆรู้ว่าโงงเบื่อรู้ว่าเบื่อกลัวรู้ว่ากลัวลุ้มลูกเดียวเลยะรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเรื่อต่อไปปัญญามันแก่รอบขึ้นมามันค่อยยอมรับความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นยอมรับความจริงว่าจริงๆเราไม่มีหรอกผู้ที่ยอมรับความจริงได้คือพระโสดาบันตอนนี้พวกเราหลายคนที่เริ่มเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีตัวเราปุดขึ้นเป็นคราว พวกนี้เรียกว่าแคนดิเดตที่จะเป็นพระโสดาบันนะรู้สึกมีกำลังใจไมมชักขึกเขิมได้แคนดะิเดตแล้วนะอย่างน้อยเริ่มเห็นความจริงแล้วไม่มีเราหรอกเรามันผุดขึ้นมาจากความคิดเป็นคลาวๆเท่านั้นเองดูไปเรื่อยตอนนี้ใจยังไม่เป็นกลางั้างต่อไปใจเป็นกลางยอมรับความจริงมันไม่ใช่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะยังไงก็ต้องยอมรับความจริงเข้าจนได้ในวันหนึ่ง บางคนเห็นครั้งแรกก็ยอมรับความจริงเลยเนะพวกนี้อินทรีย์แก่กล้ามีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนเห็นสองสามครั้งก็ยอมรับแนละ้วบางคนเห็นร้อยครั้งยังไม่ยอมรับใจมดื้ออินทะรีย์ยังไม่แก่กล้าพอสติปัญญายังไม่แก่กล้าพอก็ดูของเราไปอีกจนะเห็นในความเป็นเรามันก็ผุดขึ้นมาเป็นคราวๆในความเป็นจริงแล้วขันทั้งห้าไม่มีตัวเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งเขาพอนะเขาก็ตัดสินความรู้ของเขาเองว่าตัวเราไม่มีหรอก ขันห้าไม่ใช่ตัวเราพอตัดสินความรู้ได้แล้วเนี่ยย้อนมาดูต่อไปนี้จะไม่เห็นตัวเราโผล่ขึ้นมาอีกละแต่ความยึดถือในกายในใจจะมีอยู่นะแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเราเนี่ยไม่มีอีกต่อไปดูลงมาทีไรจะเห็นกายนี้กลวงๆไม่ใช่เราดูลงไปจะเห็นเวทนานี้กลวงๆไม่มีเรานะดูลงไปเห็นสังขาร กูสอนอากูศลทั้งหลายก็กลวงๆไม่มีเราดูจิตก็กลวงไม่มีเราอีกนะดูมันกลวงๆไปหมดเลยยิ่งฝึกยิ่งกลวงๆนะแต่ยังมีเปลือกอยู่สิ่งที่กลวงๆได้ต้องมีเปลือกนึกออกไหมนั้นเราภาวนาเรายังมีเปลือกดูออกไหมเอาใครดูออกพยักหน้าว่าใครเห็นจิตที่มีเปลือกนะนั้นมีสิ่งห่อหุ้มอยู่ในแคปซูลพูดภาษาสมัยใหม่เขาอยู่ในแคปซูลเมื่อก่อนรู้จักครูบาอาจารย์ทางอีสานองค์นึ่งท่านบอกมันอยู่ในไหกระเทียมนะ ยังดีนะถ้าไม่เบาอยู่ในไหประแดกเหม็นหน่อยแต่ใจมันยังถูกคุ้มะวันหนึ่งเปลือกนี้ถูกทําลายไปถูกทําลายไปจิตใจนี่ซุ่มซ่านเข้ากับโลกเลยะกลมกลืนไม่มีการแบ่งแยกจิตของเราตอนนี้คล้ายๆลูกโป่งสวรรค์รู้จักไหมยังมีขายไหมลูกโป่งสวรรค์นี่ลูกโป่งที่ลอยได้ะมีแก๊สบรรจุอยู่ภายในใช่ไหมวันหนึ่งลูกปป่งแตกทําว่าแก๊สหายไปไหม แก๊สไม่ได้หายไปใช่ไหมแก๊สกระจายออกไปจิตที่ปราศจากการห่อหุ้มแล้วนี่ไม่ได้หายไปนะแต่กระจายออกไปกว้างกว้างไรขอบไร้เขตชื่อวีมาริยาทิกัตตาจิตชื่อยาวยาวม่มีกัดกัดด้ยต้องต้องออกเสียงให้ถูกเพน้นเดี๋ยวอาจารย์กฤิท่านทวงถ้า <c oughs> <c oughs> เราฝึกนะเราฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจฝึกไปเรื่อยเราจะค่อยๆพัฒนานะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น ถึงวันหนึ er ่งปัญญามันเกิดตัวเราไม่มีหรอกตอนนี้ก็ยังเห็นว่าตัวเราโผล่เป็นคราวๆคนที่ยังไม่เห็นตัวเราว่ามันเกิดได้เป็นคราวๆนะหักรู้กายหักรู้ใจไปจนเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆแยกขันไปร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินกายมันทํางานกายไม่ใช่เราหรอกมันจะรู้สึกแยกออกไป เวทนามันเกิดขึ้นคือความสุขมันเกิดความทุกข์มันเกิดไม่ใช่เราสุขเราทุกข์อนกะุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงเรนะาจะเห็นอย่างนี้ค่อยๆเห็นไปเรื่อยหัดแยกกายหัดแยกใจไปเพราะฉะนั้นปัญญาเบื้องต้นที่สุดเลยสําหรับการภาวนานะก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนาปัญญาเบื้องต้นเลยก็เรียกว่านามรูปปริเฉท ย, ทยานความสามารถในการแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกัน เราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกเนาต่อไปก็จะแยกได้ละเอียดขึ้นอีกนํามาทําก็ยังแยกไปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งสังขารคือความปรุงแต่งทั้งดีและชั่วก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกออกมาค่อยๆแยกพอเราแยกสิ่งที่เรียกว่าขันหรือแยกตัวเราออกมาเป็นขันเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยขันแต่ละขันจะไม่มีตัวเราแต่ถ้าหลงคิดเมื่อไหร่ตัวเราก็โผล่ ถ้ารู้สึกตัวอยู่ไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดขันก็ไม่มีตัวเราไนี่ฝึกไปเรื่อยนะเห็นขันมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นทีละอันทีละอันไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเห็นไม่มีตัวเราใจมันยอมรับความจรงิงแล้วไม่มีตัวเราเพราะจริงๆไม่มีหรอกตัวเราเกิดจากความคิดเท่านั้นเองฝึกอย่างนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันลนะเป็นพระโสดาบันเนี่ยความทุกข์ตกหายไปหลายสิบเอร์เซ็นเลยจิตใจจะอบอุ่นจิตใจจะมั่นคง เหมือนว่าเราเคยเป็นคิดว่าเราเป็นลูกกัร้าไม่มีพ่อมีแม่เราเกิดจากกระบอกไม้ไผนะ่ะหรือโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้โตมานะโผล่จากถังขยะอะไรเงี้ยแบบในการ์ตูนวันที่เราได้โสดาเนี่ยเรารู้วเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านางวิสาขา เ, เป็นลูกท่านบอกว่าอนาทถินทิกาก็เป็นลูกท่านเลย คือเมื่อไหร่เราเป็นโสดาบันด้ยนะเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเอาละเอาเท่านี้พอนะเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วได้แล้วค่อยมาเรียนต่อเนชะิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์นะครับ